ลมออกว่าสองลมเข้าว่าสองอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงเข้าห้าออกห้าแล้วตั้งต้นใหม่ที่หนึ่งหนึ่งจนถึงหกหกแล้วตั้งต้นใหม่เพิ่มทีละคู่ไปจนครบสิบคู่แล้วกลับย้อนที่ห้าคู่ใหม่จนถึงสิบคู่อย่างนั้นเรื่อยไปในทีน่นี้ท่านเขียนเป็นตัวเลขให้ดูด้วยนะครับ พอสรุปได้ดังนี้คือหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งจนถึงหายใจเข้าห้าหายใจออกห้าแล้วเริ่มต้นที่หายใจเข้าหนึ่งออกหนึ่งจนถึงห้าออกห้าและนับเพิ่มเป็นหออกหแล้วเริ่มต้นใหม่ที่เข้าหนึ่งออกหนึ่งจนเข้าหกออกหและเพิ่มเป็นเข้าเจ็ดออกเจ็ดแล้วเริ่มต้นใหม่ที่หนึ่งออกหนึ่งจนถึงเจ็ดออกเจ็ด แล้วเพิ่มเป็นเข้าแปดออกแปดแล้วเริ่มต้นใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งไปจนถึงเก้าออกเก้าแล้วเริ่มต้นใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งไปจนถึงสิบออกสิบแล้วจึงวนกลับมาเริ่มต้นใหม่เข้าหนึ่งออกหนึ่งไปจนถึงห้าออกห้าแล้วทําซ้ําเหมือนเดิมคือหนึ่งออกหนึ่งจนถึงหออกหกหนึ่งออกหนึ่งจนถึงเจ็ดออกเจ 1ออกหนึ่งจนถึงแปดออกแปดหนึ 8, ่งออกหนึ่งจนถึงเก้าออกเก้าและหนึ่งออกหนึ่งจนถึงสิบออกสิบแล้วเริ่มต้นใหม่ที่หนึ่งออกหนึ่งจนถึงห้าออกห้าอย่างนี้เรื่อยไปความในวิสุทธิ์ที่มากตอนนี้คงจะเขียนรวบรัดเกินไปผู้อ่านจับความออกมาต่างๆกันดูของไทยฝรัง่งลังกาแล้ว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 เช่นอย่างที่สนักต่างๆในปัจจุบันสอนให้ว่าพุโทโธบ้างอย่างอื่นบ้างการกลับลมหายใจเข้าออกแทนการนับเป็นต้นสาระอยู่ที่เป็นอุบายจริงจิตไว้เท่านั้นช่วงสองท่านให้นับเร็วล่าวคือ เมื่อลมหายใจเข้าออกปรากฏแก่ใจชัดเจนดีแล้วจิตอยู่กับลมหายใจโดยลมหายใจช่วยรึงไว้ได้ไม่สายฟุ้งไปภายนอกก็ให้เลือกนับช้าอย่างข้างต้นนั้นเสียเปลี่ยนเป็นนับเร็วคราวนี้ไม่ต้องคำนึงถึงลมเข้าในหรือออกนอกกำหนดแต่ลมที่มาถึงช่องจมูกนับเร็วเ็วจากหนึ่งถึงห้าแล้วขึ้นใหม่หนึ่งถึงหเพิ่มทีละนึงเรื่อยไป จนหนึ่งถึงสิบแล้วเริ่มหนึ่งถึงห้าหมายอีกจิตจะแน่วแน่ด้วยกำลังการนับเหมือนเรือตั้งลำแน่วในกระแสน้ำเชี่ยวด้วยอาศัยท่อเมื่อนับเร็วอย่างนั้นกรรมาฐานก็จะปรากฏต่อเนื่องเหมือนไม่มีช่องว่างพึงนับเร็วๆอย่างนั้นเรื่อยไปไม่ต้องกำหนดว่าลมเข้าในออกนอกเอาสติกาหนดณจุดที่ลมกระทบ คือที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนแห่งใดแห่งหนึง่งแล้วแต่ที่ได้รู้สึกชัดเท่านั้นท่านว่าคนจมูกยาวลมกระทบชัดที่ปลายจมูกคนจมูกสัน้นลมกระทบชัดที่ริมฝีปากบนและท่านว่าถ้าส่งจิตตามลมเข้าไปจะรู้สึกอึดอัดอยู่ในส่วนอก ถ้าส่งจิตตามลมออกไปข้างนอกจิตก็จะแพร่าสายไปกับอารมณ์ต่างๆกำหนดนับอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าเมื่อใดแม้ไม่นับแล้วสติก็ยังตั้งแน่วอยู่ได้ในอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนั้นวัตถุประสงค์ของการนับก็เพื่อให้สติตั้งแน่วอยู่ได้ในอารมณ์ตัดความคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกไ ด, ได้นั่นเอง